เป็นภาพที่สถานที่เริงรมแห่งหนึ่งนะคะกำลังมีความสุขสนุกสนานร่าเริงอยู่เพียงแต่ภายในสิบวิยี่สิบวิอย่างที่ผู้พูดยกตัวอย่างเนี่ยคะ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะกระทำอะไรใดๆ ไ, ได้เลยจบชีวิตลงอยู่ในสถานเริงรมนั้นลองอองขอดูภาพตรงนี้นิดหนึ่งยอมสังเกตภาพนี้ไหมยอมเชื่อไหมว่าเขาจะคิดถึง คุณของพระจ้า like ได้จริงๆท่าแบบนี้เชื่อไม่เชื่อเห็นไหมเนี่ย <_ p unch> นี่คือการขาดสตอิอย่างยิ่งเลยเนี่ยแล้วลองคิดดูที่ว่าเมื่อตายด้วยราคะตายด้วยโทสะอย่างเนี้ยที่ไปของเขาคืออบายทุกขติวินิวะนรกจริงๆ น, ๆนี่นี่แหละนี่เป็นข้อเตือนเตือนใจอย่างมากเลยวันนี้เลยว่าเพราะจิตของเขาที่ไปณนะสถานที่ตรงนั้นเขาเขาไม่เคยมีความผูกพันกับพระรัตนตรัอยู่แล้ว นี่นะเนี่ยเห็นแล้วจะน่าสยดสยองมากไอ้คําว่าสยดสยองในที่นี้คือน่ากรุณาว่าเขาจะเดือดร้อนในอนาคตแล้วทุกวันเขาเดือดร้อนตลอดแน่นอนวัตตะที่เขาจะต้องไปเกิดนี่เป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจว่าในดินแดนของพระพุทธศาสนาที่กําลังหลายคนมองมาเห็นแต่วัดเห็นแต่วิหารเห็นแต่พระเนี่ย แต่ในเนื้อในของชาวพุทธจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยกับกายที่จะต้องหลงละเริงกับสิ่งเริงลมมัวเมากับสิ่งเหล่านี้อย่างมากมาอันนี้มองแล้วก็สะท้อนกลับมาดูตนเองแ ล, แล้วเรากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งถ้ากรรมเหล่านั้นมาตามมาถึงเราเราจะกลายเป็นคนที่ลืมพระพุทธเจ้าไปในช่วงเวลาลมหายใจจะขาดหรือไม่อันนี้ก็มาคิดนะก็อย่าให้เป็นอย่างนั้น ท้างไงนมันจะเจ็บปวดเองในชีวิตค่ะพวกเราอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ในทํานองที่ไปชุมนุมในแง่ของสถานที่เรืองลงแต่อย่าลืมนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากำลังประชุมไปด้วยการรับการมคุณต่างๆอันได้แก่รูปอารมณ์ที่รับแล้วก็ทำให้เราได้นั้นยังติดยึดยูด่ ะะเพราะฉะนั้นถ้ายังติดยึดอยู่ก็ลองเปรียบเทียบกับภาพเถอะคะ่ะเราอาจจะต้องนอนกันเป็นกองแบบนี้ถ้าเรายังติดยึดอยู่ทางการทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ